เจ้าโจทะเกณะอุปถาเปตัพระธรรมะว่าด้วยคุณสมบัติที่ผู้โจ์พึงตั้งไว้ในตนท่านพระบาลีทูลถามว่า ภิกษุผู้โจ์ประสงค์จะโจ์ผู้อื่นพึงตั้งคุณสมบัติเท่าไรไว้ในตนพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคปฏิตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้โจ์ประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงตั้งคุณสมบัติห้าอย่างไว้ในตนคือหนึ่งเราจะกล่าวโดยการที่ควร จะไม่กล่าวโดยการไม่ควร 2. เราจะกล่าวคําจริงจะไม่กล่าวคําเท็จ 3. เราจะกล่าวคําสุภาพจะไม่กล่าวคําหยาบ 4. เราจะกล่าวคํามีประโยชน์จะไม่กล่าวคําไร้ประโยชน์ 5. เราจะกล่าวด้วยเมตตาจิตจะไม่มุ่งร้าย บาลีภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งคุณสมบัติห้าอย่างนี้ไว้ในตนจึงโจทย์ผู้อื่น